เธอว่าไม่ชอบบอกเธอว่าไม่ชอบคืนถ้ายังมาทันแบบนี้ต้องโดนตอบชอบก็บอกชอบไม่ชอบก็บอกไม่ชอบขอให้เธอากลับไปคิดเลยเยอไม่เคยมีความกลัวเลยไม่เคยสักทีกลัวแต่ Hello